ที่รักษาแะเบียบวินัยของจริงๆคนเราต้องมีความคิดถึงอยู่เสมอนักปฏิบัติถ้ากรคิดถึงจะเรื่อว่าไม่หนักปฏิบัติเหุ้ซื่อๆเห็ุเพื่อให้คนอื่นว่าเจ้าของเป็นนักปฏิบัติเมื่อวานนี้ตอนแรก เมื่ ja. อาตีละครังป้องหนท่อบมาแล้วเหมืนว่าภาคต้องมาเนตต้องมาเรียบร qu ้อยเนตต้องเป็นหน้าที่ปฏิบัติเรื่องทีละครังภาคก็เป็นหน้าที่ปฏิบัติเรื่องตีละครังเหมืนว่าแต่ภาคผู้นำนั่นแท้มาที่หลังเพื่อนก็รู้จักมันมาพอดีตีละครังแล้วคำนวณว่าภาคผู้น้อยเนตมาแล้วภาคโู้เป็นลูกวัดแล้วก็โยมเขาต้ไป พระผู้นำมาเขาทำโรดบนต้องหลอเลี้อาเบื้องพระเนนองไดบุมาผู้อยากและบัณฑิยมเขาก็การไดบุมาผู้อยากบ่มแม่มาอาศัยปฏิบัติธรรมจริงๆมาอาศัยผ่มีทางไปคนเกลียดข้าศ์มีงานทำหรือขี้เกียจบ่อยากเล่นยังอยากอาศัยยู่กินนอนซื้อๆเห็นว่านี่ยผูดี ระยะสามสิบ น, นาทีออกมาเดินอยู่สามสิบ น, นาทีพอดีสวโมงหนึ่งเพิ่นตีละคังทําวัดทํามาแล้วเลือกเข้ามาตีระครั้งก่อนก็นได้พอดีมาตีละคังแล้วถึงเวลาขึ้นมาเป็นสวโมงหนึ่งเขาทำงานเพิ่นอบรมทํ า, าทวัดเศร้าทําวัดเก็ดพอเกินสามสิบนาทีเลือกเพิ่ออบรมหลายๆก็บอเกินสวโมงหนึ่งเขาได้ทั้งสองอย่างหนึได้ฟัง เขาปบิดธบาติเขาก็ะทำข่เขืนหรือกิจธุระหน้าที่เช่นที่บนผมไปอยู่นันแต่ฝึกหาดนั้นเพิ่นมีการหานา้ำเททนั่นปัสละได้ผมเป่าปมันไก่กุฏิผมไก่มันไ ก, นไ ก, นไก่แค่ได้มาสถานาที่มันก้วงเน็คยู่ทงนาผมได้ไปผมรวบไปกับหมดเวลาพอได้ผ้าขึ้นมาผมเลื่อได้ออกไปใส่น้ามูพอกผม ที่บัติธมอ่ะผมจ้างค่ะเจ้าก่ะเมร์ผมมีสตางค์ ไม่ใช่่องรรมดอาม กัน ก็สุดมัน เราจะขับบ้านบพ ม, มีเงินหือมีเงินหกสลึงหมดเลยทุกนหาได้หาบาทก็ขอเจ้าก่อนจากจังหวัดเลยมาหาเพื่อแย้งขอได้ห้าบาทค่ารถรือว่าบุถึงเราไปขอเกิดขอเงินก็เพรมีเงินแต่างพอผมมีเงินขายนั้นผมมีเงินผมก็เลยบอกว่าเออถ้าจะไปสักไหนผมก็เคยอยู่งสำนักเล่นน้อยอย่างเสียงผมเคยอยู่งสำนักใหญ่ใหญ่คนมันจึงมักตั้งแต่ครูบาอาจารย์ผมมีซื้อมีเสียง ผเ่าดีพูดดีมันเป็นมันไม่ได้คิดรักธรรมะไม่ได้คิดรักค้วมคิดของตัวเองก็เลยเมื่อแรงมาพอดีผมไปบั้นนโหกมาออกมาก็เห็นยูฮันเนี่ยว่า ก, กับหลวงพ่อเพชรงเพชรให้ยูฮันทาน่าสิางแี่อาจจะเกิดมาหอดผมก็เลยทา้าเรื่องนั้นเรื่องนี้การศึกษาเราเรียนมีความรู้ทันใดสลยเนี่ยมักยังไงเนี่ยถ้าก็านะากว่าให้ฟังผมเลยหลอกหลอกกระเนื้ตัวกระเนื้ดื้อ ทักหรือนี่แหละครับแต่หกว่มีหัวว่าสันมีเท่าจะคอลงไปทั้งตัวนันอ้าวจะไปเห็นอย่างสั้นมันว่าแม่ลูกแม่น้ํางอันเป็นมายาของจิตใจนั่นลูปนางก็คือนั่งอยู่หนหม้ามานั่งอยู่หันหน้าเพลกมือบนโน่นนั้นเนี่ยหูมือของหูมืออันข่มผู้มือนั่นแหละเป็นนางอันลูกมันเน่งมันติโอผมมันก็ได้เป็นความคิดตัวเองนี่แหละซึ่าคนมันรู้ระยำของจริงอันบอกของจริงให้คนมีปัญญาแล้วจับ เขาเห็นเป็นเพียงมายาเพียงรูปภาพอยู่ภายนอกเขาก็เลยรู้จักรูปนามทันทีเลยรู้ในขณะที่ผมพูดเนี่ยแหละรู้จักรูปรู้จักนามรู้จักรูปธรรมนามธรรมรู้จักรูปโลกนามโลกทั้งสองอย่างโลกนามลกแล้วก็รู้จักรูปขังอันนี้จังนัตตารู้จักสมมุติรู้จักรศาสนารู้จักพุทธศาสนารู้จักบาปรู้จักบุญพ่อกมมอให้ฟังเนี่ยเขามีความ ที่เทคขาวนั้นเขาให้เงินรูมันเจ็ดสิบาททั้งสองคนได้เงินคมขารถสี่คนเจ็ดสิบบาทก็คือมันเสียให้ค้ารถเขารูมันยี่สิบาทเท่านั้นสี่คนนี่ตั้งเต็มเองเลยสอดป้านบุกมบิมาสอดกับอยู่บนเติมสามเดือนนี้เติมมานี่ผมทำให้เป็นบุกิจจริงๆสามเดือนครบสามเดือนแล้วก็รู้จักลักไปเดี๋ยเมื่อรู้จักกับเมือเ่อยนะี่สิบเก้านี่ เรือพาแต่ไปอาบน้ำน้ำกันแต่เขาที่เอามาส่งให้จินทาวัดเศร้าทำวัดเจ็บไปเป็นอย่างนั้นแต่แกกับมักจริงๆทับจริงๆเติร์นคนผมแต่ผมกูอยากไม่นอนนอนอยกกุฏเดียวกันตื่นมันมเนีเป็นห้องเป็นห้องแต่กุฏิบนผักแล้วก็นอนนอนหลังผมผมไม่นนอนหลังผมจะนอนลุนผมผมนอนแล้วหล่ะอยู่นอนตื่นออกมาผมตื่นเนยสิ ก็ออกมาเห็นแล้วอันในเสื้อเขารักงานพอสมควรแต่สามเดือนครับอย่างไม่รู้เรื่องปรัมัติรู้แล้วเขาเป็นแตกสาโรดรเพราะเขาได้เรียนมาเนี่ยเปน็นอย่างนั้นยังเาพวกเขาคันท้าที่เป็นนักปฏิบัติจริงๆแล้วก็ต้องรักเวลารักหน้าที่รักกานรักงานจึงจะเป็นนักปฏิบัติผมเองเนี่ย เรื่องลบนามเนี่ยย่างนานที่สุดโมเกินสิบมือ้อถ้าคนมีศรัทธาจริงๆนะครับโมเกินสิบมื้อลูโลนบัด น, นี้เรื่องปรามัดเนี่ยย่างนานที่สุดครับโมเกินสามเดือนอย่างนานประมาสันเจโหลอา้าวย่างนานที่สุดลนะผมนี่บมเคยให้จากเรืองอ้าวให้เวลาสามปี ไปเป็นกำหนดไปเป็นเวลาอืคนผู้นั้นเขาระวังถึงเวลาเท่านั้นพระจีหมาเนี่ยถึงเวลาเท่านั้นพรจีหมาเขามุ่จักเขาทำเจดีย์าเขาไปนั่นแล้วออกจากนั้นจะกระโจนเลยครับนั่งเหตุอื่นหรือเหตุยักษอื่นไปมีดวงตาคนหนึ่งมาจากเมืองลาวเขาเป็นเจ้าคณะเมืองแต่ก่อนเขาเอิญเจ้าคณะเมืองในเจ้าคณะตาดแสงในเจ้าคณะตำบนนั่นสิครัมาปฏิบัติธรรม มีการสู้บุรีมีเขี้ยวมากผมก็ได้ห้ามเนาะค่ะมูลินเคิดว่าลูกเลยต้องเสารเองอิดสอดขันเมื่อเวลาเราไปทําอิฐผมไปให้เป็นระยะเวลาไปถึงเวลานั้นก็นต้องไปเป็อสอาุมณ์างกระ น, นั่งอยู่ ท, ท่านกระทาความเพียรอยู่บัดนี้ออกเป็นป้นในว น, นี้ไปกว่าให้มีกําหนดเป็นเวลาบางเทีผมก็ไปเมื่อระยะสองโมงเช้าวันนี้ผมก็ไปการเยะ็นเป็ น, น, เนสองมงสาม จะอสามผมอ่ะบนเฮดแล้วนอนแลในบันนี้แน่ทั้งที่ไปตอนเช้าๆแบบเนี้ยนั่งผมผ้าแต่ก็นั่งเฉยไอันนี้แสดงว่าไปตั้งแต่เวลาอาจจะญญาูะ้ใหญ่ข้าเจ้าเฮ็ดระข้าทำนเวลมเวลาเขาจะรู้ว่าคนใดพูดจริงทำจริงวิธีสอนนั้นไปยันโจมมีกำหนดอยันนี้เวลาอยาไปยังได้ไปแต่ว่าไปเราจะไปปุรินานวิธีผมถามเนี่ยน้อยโบรานถามแล้วจรวิาางเห็นกระซ้าเวกกระตับ ไปจากสามที่เชื่อแล้วก็เห็นว่าจริงจังมันก็ปล่อยไปเสียที่ปฏิบัติกระด้างปฏิบัติก็ได้ฉะนั้นมาถามผมผมก็บอกตามองให้ไปเถอะลูกก็ได้บม่รู้ก็ไ ด, ได้เพราะมันก็ศรัทธาเลยครับมันก็ศรัทธามันต้องให้จริงถ้ามันให้จริงแล้วอือเขาก็ส่งเสริมแม่คนไปศรัทธาเป็นอย่างไรอันเนวิธีสอนของเขาเรื่องวิปัสสนูเรื่องวิปาัปรราสนเรื่องจิตตญาณนั้น ผมผมมีไพรไว้ฟังผมดูเองครับแล้วองวิปัสสนูนี่ผมรู้ตอนแหลงแค่ผมเป็นตั้งแต่้าผมรู้รู้รู้นามเนี่ยผมเป็นีิปัสสนูผมเทศยืนเทศนั่งเทศนอนเทศเทศให้เทวดาเทศให้ผีเทศให้คนฟังนั่งจากนั้นพูดอย่างนี้เนี่มันเป็นอะไรสันอันนั้นผดูนอกตัวไปผมรู้วิปัสสนามันต้องรู้ในตัวจริงๆเนี่ยครับรู้ รู้สภาพหรือภาวะที่ทรงไว้เนี่ยรู้จริงๆริตอนแรงมาผมก็เลยรู้แต่ลมัดจิตใจผมเปรียนโลดไปเดียวสภาพหรือภาวะขมหนักอกหนักใจภาวะขมโปรู้ขมมืดเมาขึ้นมาโลดครับสว่างขึ้นมาโลดขมหนักอกหนักใจนะี่คล้ายๆคือว่ามันหนัก อย่างน้อยต้อง60กิโลผมว่าผมเบาขึ้น80กิโลสมมติ100กิโลนี่ผมยังเหลืออยู่20กิโเท่านั้นผมเข้าใจเลยผมโลภะลมัดผมจึงมุดสงสัยผมมือจู่ในใจผมนั้นมีผมสว่างบได้สว่างย่างเอาไต่ไฟฟ้าเนี่ยมันสว่างสามารถรู้ว่าโอ้คำสอนของพระเจ้าเป็นสีแดงเป้นหัวใจมันสว่างสวาง่สวางภายใ น, ในใจิตใจคล้ายๆกับเปิดประตู ออกจากที่มืดมาสู่ที่แจ้งนี่แหละครับมันเป็นสัน้นหนักตืออ้ออยู่ลอยเปอร์เซีเนี่ยมันต้องสลักทิ้งเบาออกไปรู้มันรู้อย่าง น, นั้นควมแม้ว่าจะเป็นมายาเป็นผมคิดตลอดเลยมันรู้จริงจริงนี่ครับเรื่องนี้หนูโอ้นี่ปรามารัดแปลของจริงของแท้ถึงจะมีผู้รู้ก็เป็นอย่างสิควรมีผู้รู้กับเป็นยางสิความเป็นภาพกรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นทีเดียวครับนี่แหละบุญนะันบุญคือรู้ บุญคือเขาใจบุแม่เขาจีไปตักบาตรแลได้บุญอันนั้นก็ได้อยบุญอันนั้นบุญอันนั้นไถ่ไอก็รู้ศาสนาอื่นเขาก็รู้เขาก็เห็นใจพุทธศาสนาเนี่อันนั้นก็บริกรรมนี everyday, ่บ e ุญแบบนั้นเด็กน้อยเห็นก็ได้ผู้ใหญ่ให้นก็ได้คนนอกศาสนาให้ก็ได้คนบูรู้ให้นก็ได้คนรู้ให้นก็ได้เขาเคยเห็นว่าเด็กน้อยตักบาตรด้วยมันก็ไปตักไปจังหันโด้มันก็ไปไปเทด้วยมันก็ไปกล้าพลาดก็ แค่มันบุรู้ษเป็นเห็ุเป็นเพียงแค่นั้นเขาคิดถือว่าอันนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแบบแมนอยู่ซึ่งเหล่านี้มันสอนกันมาติดศกติดปากแต่มันบแมุษทิ่จะทําให้เรารู้แจ้งรู้จริงได้จริงๆครับเรื่องแบบนี้ยดังนั้นจังหวะพวกเขาเป็นนักปฏิบัติให้รักจริงๆถ้าหากว่ารักจริงๆแล้วพวมีโอกาสพวมีเวลาได้ครับบรุรทําำมาลู่น้อยตอนนั้นผมรู้แล้ว จากเรื่องโทสะโมหะโลภะนี่มันจืดมันจางไปรุดครับแต่คนผมบุกอยากว่าโทสะอมโกดโมหะอมหลงโลภะอมอยากมองซื่อๆมันก็เห็นเนี่ยครับสมุดเทปสั่งมันบ้านผมเขามีส่วนหมักพริก่หรือส่วนเขา้าให้เ ข, าเขาเ้าเขาเนี่ยนี่นาเขาเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาเป็นปร่งกันงามเขา้นอนอยุดนอนอยุดบน คือละคุ้ยตัวนึงมันดื้อมันคี้รักและวันนี้มันไปมันมาหัวเขาไปไปกินเขาเขาอยู่ไหนกินแต่เมื่อเขานอนเขาบ่เห็นเนี่ยบ่เห็นหวยเขาก็ไล่โอ้ยโอ้ยนอนสบายอยู่คุณไปกินเขาอยู่เหมืนว่ายานเนียครับหลายตัวกินเขาเหมือนแล้วเขาเขาวันนี้เขาเด็กพ่อเป็นยังไงเลยออกลุกออกไปง้างไปพอทีมันเห็นเขาปุ๊บมันแลนนี่ตัวหวยมันยานอันนี้ก็คือการเรื่อง แต่ให้เขามีสติมีสมาธิมีปัญญาหรือญาณก็ว่าได้หรือปัญญาก็ว่าได้เห็นแจ้งรู้จริงแล้วถ้ามีคนมาเรื่องโทสะนี่มีคนมาพูดที่มันบวชหอกหูเห่าหรืออันใดตำาซมมันเย็นนะเพื่อนตีตีเกิดขึ้นสักัดบ่ชให้โทสะโมหะโลภเกิดขึ้นนี่ผมเข้าใจเลยว่าเรื่องโทสะโมหะมั น, น, นมมต้องเห็นจริง เวทนาสัญญาสังขารปิญญาบทหกแล้วบันี้ต้องเห็นอันนี้ในขณะเดียวกันนั้นครับจิตใจผมเปลี่ยนสองเธอครับถ้าอังศิวะตามเรื่องสําหรับตํำนาเพื่อนเพื่อนปฐมสารโทติยาสารแต่ผมบอว่าจิตใจผมเปลี่ยนสองพักผมหมายถึงอะนรเบียดจิตใจเป็นเบียนอันจิตใจเบี่ยนเขาเ้าไปรูปไปเหตุจริงจริงในเพื่อนประชาเรเพื่อนว่าปัญญาเพื่อนวัตตาทิพ เอิ้นางหูเทปก็ได้เยอเอิ้นตาซ้องก็ได้ทิว่าจัางไดทุกมุดขับเป็นเรื่องศพมุดแต่ศพมุดก็จริงยังว่าจยกให้พวกเหาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติถ้าจะเป็นคโคคนก็ต้องหนักเปลมเวลาถ้าจะเป็นนักปฏิบัติก็ต้องหนักหนักเปลมเวลาเป็นนักปฏิบัติจริงๆถ้าว่เป็นจริงจริงแล้วบูรู้ได้ครับธรรมะรู้แต่เปี่ยนว้าวเท่าไหร่ <S <S <S 2> <S 2> อย่างทีผมว่าให้ฟัง ท้าเขาโมรูอย่างสังนนิปสอนคนอื่นผ่านผมรับรองได้เลยครับคนหนึ่งเป็นวิปลาสไปตั้งแต่จังหวัดโคราช